เมื่อตอนบ่ายมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอายุประมาณสัก30ต้นๆมาหาที่สาราน้ำผู้หญิงดูตัวแข็งๆทื่อๆแล้วก็เครียดแล้วก็มีอาการดูเพลียว ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเท่าไหร่ผู้ชายนี่พูดเป็นส่วนใหญ่เขาบอกว่าภรรยางเขานะนะสนใจเรื่องการปฏิบัติโดยการตามลมหายใจนะเคยไปเข้าคอร์สแล้วก็เลยเกิดศรัทธานในการปฏิบัติเมื่อกลับมาบ้านก็ ปฏิบัติเองแล้วก็เปิดดูตามา YouTube ดูคลิปวิดีโอต่างๆที่เขาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อจะได้ทำเองทำไปได้สักหกเจ็ดเดือนก็เริ่มมีอาการโดยเพราะเมื่อ อาทิตยที่แล้วก็มีอาการมื่กลสติแตกเกิดภาพหลอนคิดว่าตัวเองเป็นพระสารีบุตรมาเกิดพระสารีบุตรนี่ท่านไปแล้วนะแต่นี่ยังเชืวว่อตัวเองเป็นพระสารีบุตรมาเกิดแล้วก็มีความหลงหลายอย่างยังดีที่ พอรู้ตัวบ้างนะว่าสติแตกเพราะว่านอนไม่หลับความคิดฟุ้งซ่านความจำเสื่อมพูดอะไรได้ยินสักพักเดี๋ยวก็ลืมแล้วแล้วเขาก็รู้ตัวมีปัญหาแต่ก็ยังแก้ไม่ได้ ก็เลยให้สามีพามาหาที่นี่ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดได้เขารู้ได้ไงว่าที่นี่จะช่วยเขาได้นะแต่ฟังจากการนี่ก็รู้เลยว่าเนี่ยเขาเขาเพ่งมากเขาเพ่งมากพยายามควบคุมความคิดพยายามบังคับจิตให้มันแนบแน่นอยู่กับลมหายใจเพราะว่า มีความอยากอยากจะบรรลุธรรมเขาได้ยินได้ฟังมาว่านี่ถ้าปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังก็จะบรรลุธรรมได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีนี้เขาตั้งใจวกเนี้เจ็ดเดือนจะเอาให้ได้แล้วก็เลยมีอาการแบบนี้ไม่สามารถที่จะแก้อารมณ์ของตัวเองได้ อันนี้เป็นตัวอย่างคนที่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยนะก็พยายามไปบังคับควบคุมจิตทำให้เกิดการเพ่งขึ้นมาเพ่งที่ลมหายใจก็ได้หรือเพ่งที่มือก็ได้แล้วพอเพ่งแล้วเนี่ยนะไปสักพักหนึ่งจิตมันก็จะเริ่มมีอาการเพี้ยน เพลงกับเพียงนี่มันใกล้กันมากนะแล้วก็มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันบางคนเนี่ยหลวงพ่อกำเขีย น, นเคยเล่าเนี่ยตอนที่ท่านไปปฏิไปสอนอยู่ที่วัดโมกก็สังเกตว่าคนโยมผู้ชายคนหนึ่งไม่มาทำวัดเช้าท่านก็ไม่ได้สังเกตหรือผิดรู้สึกอะไร ได้เวลาฉันเช้าเวลาอาหารเช้าเขาก็ไม่มางั้นพอท่านฉันเสิงท่านก็เลยไปไปตามหาที่กุติพอเรียกชื่อเขาเท่านั้นแหละเขาก็มีเสียงตะโกนออกมาว่าหลวงพ่อช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยมือมันติดมือมันค้างยกมือสร้างจังหวะนี้แหละยกมือแล้วมันไม่ลงมันค้าง ตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่เช้ามืดเนี่ยมาทําวัดไม่ได้ค้างจนกระทั่งถึงตอนอาหารเช้าก็ยังมือก็ยังไม่ลงยขยื่นขยับก็ไม่ได้พยายามกรวดน้ําแผ่เมตตาเพราะคิดว่าคงไปทํากรรมอะไรมาสักอย่างหนึง่งก็ไม่ได้ผลหลวงพ่อท่านก็รู้แล้วว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเพ่ง นะเมื่อเจอแบบนี้นี่นะหลวงพ่อท่านก็รู้เลยว่านะ่าต้องต้องชวนคุยนะหรือว่าชวนดึงจิตออกมานะจากการปฏิบัติก็ถามว่ามีลูกกี่คนห้าคนครับมีครอบครัวกันหมดหรือยังมีแล้วครับแล้วตอนนี้อยู่กับใครอยู่กับลูกสาวครับมีหลานไหม มีครับมีหลายคนเป็นห่วงหลานบ้างไหมห่วงบ้างบางทีก็ไม่ห่วงอย่างมานี่ก็ไม่ห่วงคุยไปเนี่ยคุยไปสักพักเนี่ยมือแกก็ตกเลยถ้าแกก็ไม่รู้ตัวนะก็ยังคุยก่ายังตอบคําถามหลวงพ่ออยู่สักพักถึงค่อยรู้ว่ามือตกลงและอา้าวมือตกตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมมือตกนะเพราะว่าจิตมัน มันเลิกเพ่งนะหลวงพ่อชวนคุยจิตมันก็ที่เคยเพ่งอยู่ที่มือมันก็ออกมาออกมาข้างนอกออกมารับรู้ออกมาสนทนามันลืมเรื่องการปฏิบัติไปนะจิตพอเลิกเพ่งเนี่ยมันก็หลุดเองนะมือเนี่ยนะแม้อย่างผู้หญิงคนนี้นี่ก็เหมือนกันนะเขาก็มีอาการ เรียกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่เกร็งเกงคุยกับเขานี่เขาก็ถามพูดคำถามคำตอบคำก็แนะนำเข้าไปนะว่าในปัญหาเขาเนี่ยมันเกิดจากความอยากอยากอยากบรรลุธรรมอยากควบคุมจิตอยากให้จิตมันสงบ พอมีความอยากแล้วจิตก็เลยไปไปเพ่งคือมีการพยายามบังคับจิตให้มันแน่นดันอยู่กับลมหายใจให้มันไม่คิดพอบังคับจิตเข้าไปจิตมันก็ไม่ยอมธรรมชาติจิตเนี่ยมันมันชอบวิ่งชอบเที่ยว <c oughs> ก็เหมือนกับเด็กเล็ก ๆ, ๆนะไปบังคับ เขาเนี่ยบังคับเขามากๆนี่เขาก็อารวาเลยนี่ยหรือว่าวัยรุ่นก็เหมือนกันนะพ่อแม่ไปบังคับวัยรุ่นมากๆนี่ก็ประยศอารวานะเจดก็เหมือนกันนะไปบังคับเขาอันนี้อาจจะเข้าใจคําว่ากําหนดไม่ถูกต้องไปฟังครูบาอาจารย์บอกให้กําหนดกําหนดลมหายใจให้มันสุดลมหายใจแล้วปล่อย ไปได้ยินมางี้ก็เข้าใจว่ากาหนดคือไปบังคับไปเพ่งพอเพ่งเขาจิตมันก็อารวาดนะจนเกิดอาการเพียนขึ้นมาเวลาคุยกับเข้าเนี่ยก็บอกเนี่ยให้ลองให้ลองวางความอยากลงแล้วก็ปล่อยใจใเป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับอย่าไปกำหนดแบบเพ่งอย่างนั้น แล้วก็ไว้เขาทําตามสบายให้เขาอย่าทําความเพียนมากให้ความเพียนนี่มันมากเกินไปก็มีปัญหานะอย่างพระสนนะทําความเพียนมากขนาดว่าเท้าแตกเป็นแผลก็ยังไม่ยอมหยุดไม่ยอมพักก็ยังเดินทังที่เท้าเป็นแผลทางเดินจม ก, กลมนี่มันเป็นมีเลือดนะเป็นแนวเป็นทางเลย เดินทั้งวันทั้งคืนพอเดินไม่ได้ก็คลานคลานเท่าไหร่ก็ยังไม่บรรลุธรรมก็ยิ่งเครียดยิ่งเครียกก็ยิ่งพยายามที่จะทำให้มากขึ้นจนกระทั่งเกิดความท้อจนท่าพูะเจ้าต้องมามามาสอนมนแนะโดยการเปรียบเทียบกับพินสามสาย เ, เพราะว่า ภสานี่เคยเป็นนักดนตรีเล่นพินสามสายถามผะโสดานว่าพินที่พินที่มันขึงไว้แน่นขึงไว้ตึงเนี่ยดีแล้วเพาะไหมไม่เพาะครับแล้วสายพินที่ขึงไว้หย่อนนี่มันเพาะไหมก็ไม่เพาะต้องขึงพอดีๆชันใดก็ชันนั้นเนี่ย ความเพียรก็ต้องทำความเพียรแต่พอดีถ้าทำความเพียรมากไปนะมันก็เกิดโทษได้ความเพียรนี่เป็นของดีนะแต่ว่าถ้าทำเกินไปเลยความพอดีไปก็เกิดโทษยังก็บอกเขาอย่าง3ามข้อเนี่ยหนึ่งให้ให้วางความอยากลงเสียสองให้หยุดบังคับจิตได้แล้วปล่อย อย่าไปเพ่งมันแล้วก็สามทำความเพลยนแต่พอดีพูดจบก็ให้เขาทวนนะว่าเมื่อกี้แนะนําอะไรเขาตอบไม่ได้เขาจาไม่ได้เลยจําไม่ได้แบบที่พูดเมื่อกี้นี่พูดว่าอะไรต้องให้สามีช่วยทวนว่าเนี่ยว่าที่แนะนําไปสามข้อเนี่ยคืออะไร ความจำนี่เรียกว่าแย่มากที่จริงเนี่ยเป็นเพราะไปเพ่งมากกว่าพอจิตมาไปเพ่งที่ที่ลมหายใจเนี่ยพูดอะไรไปเขาก็ไม่ค่อยรับรู้หรอกคนไม่เข้าใจว่าเพ่งนี่ดีนะแต่ที่จริงมันทําให้ความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันมันหย่อนมันหายไปพูดอะไรไปฟังไม่รู้เรื่องไม่สามารถจะจับ สาราสิ่งที่พูดได้เพราะจิตเนี่ยมันไม่ได้ไปรับรู้คําพูดอย่างสบายๆมันไปอยู่ที่ลมหายใจก็ชวนให้สามีเขาพาเดินนะพาเดินรอบๆศาลพาชมนกชมไม้ไปให้จิตนี่มันส่งออกนอกบ้างไม่ใช่เพ่งเข้าไหนเพ่งเข้าไหนมากๆนี่มีปัญหา แต่ว่าคนชอบนักเพราะว่าคิดว่าทําแล้วมันจะสงบแล้วพอสงบแล้วนี่ก็ยิ่งทําก็ไปใหญ่สุดท้ายนี่จิตนี่มันก็พยศขึ้นมาเกิดจากการเพียนหลวงพ่อมเฉียนท่านเราว่าสมัยที่ท่านบวชใหม่ๆกับหลวงพ่อเทียนวันหนึ่งท่านก็ปฏิบัติอยู่ในกุฏินะแล้วท่านปฏิบัติอยู่ในกุฏินั่นก็ปิดหน้าต่างปิดประตูนะหลวงพ่อพเทียนมาสอบอารมณ์ มาถึงหน้ากุฏิก็ถามว่าทําอะไรอยู่หลวงพ่อมเฉียงก็ตอบมาจากในกุฏิว่ากําลังปฏิบัติอยู่ครับเห็นผมไหมหลวงพ่อเฉียนถามไม่เห็นครับแล้วทํางไงถึงจะเห็นต้เปิดหน้าต่างต้อเปิดประตูพอท่านเปิดประตูเสร็จหลวงพ่อเดียวก็ถามว่าเห็นผมหรือยังเห็นแล้วครับและในห้องเห็นไหมเห็นครับ ทําอย่างนี้นะเห็นทางข้างนอกและข้างในแล้วท่านก็เดินไปหลวงพ่ อ, พอเขียนก็ทีแรกก็ง ง, งว่าหลวงพ่ อ, พอเคียนต้องการจะบอกอะไรในท่สุก็รู้ว่าท่านต้องการจะบอกว่าอย่าไปอย่าส่งจิตออกนอกมากเกินไปและอย่าเพ่งเข้าไหนมากเกินไปเพ่งเข้าไหนมากเกินไปมันก็ไม่รับรู้สิ่งภายนอกแต่ถ้าปล่อยจาจไปข้างนอกมากๆ มันก็ไม่รู้ใจของตัวคนส่วนใหญ่เนี่ยส่งจิตออกนอกมากนะก็เลยไม่รู้ใจของตัวส่วนคนนักปฏิบัติเนี่ยก็จะทำตรงข้ามนะก็จะเพ่งเข้าในแล้วก็เลยไม่รับรู้เรื่องภายนอกเอาหลวเทียนท่านก็พยายามสอนพยายามแนะนะ ว่าให้หวางใจพอดีพอดอีรู้ทั้งนอกรู้ทั้งในอันนี้แหละมันคืออาการความรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็เดี๋ยวบางคนก็พยายามที่จะเพ่งอยู่นั่นแหละบางทีหลวงพ่อเทียนก็เดินเดินไปแล้วก็เอาผ้าคลุมศีรษะเอาไว้ เาผ้าคุมศีรษะเสร็จแล้วท่านก็ดึงผ้าออกนี่คือวิธีการสอนของท่านสมัยก่อนนักปฏิบัตินะก็ต้องไปถอดรหัสตัวเองว่าหลวงพ่อเทียนต้องการบอกอะไรเพราะสมัยก่อนท่านสอนไม่ค่อยเป็นด้วยคําพูดท่านก็สอนด้วยอากับกิริยาแบบนี้แหละคนก็เลยเรียกว่าท่านสอนเหมือนเซ็นสอนเหมือนอาจารย์เซน ให้ไปคิดเอาว่ากาลังสอนอะไรคิดไปคิดมาก็รู้เองว่าอ๋อท่านกําลังสอนว่าอย่าไปอย่าไปจมอยู่กับความคิดหรือว่าจะไปจมอยู่กับความสงบนะมันจะเหมือนกับว่าคลุมคลุมศีรษะด้วยผ้ามันก็มืดนะเวลาถูกผ้าคลุมศีสระก็มืดนะให้ถอดผ้าคลุมวีสระออกจะได้เห็นข้างนอก แต่ก็ไม่ใช่ส่งจิตออกนอกนักปฏิบัตินี่เราต้องต้องรู้เท่าทันนะให้ความอยากเนี่ยให้ความอยากนี่มันเป็นปนัญหาของนักปฏิบัติเลยถึงแม้ว่าเป็นเพราะความอยากเราถึงมาที่นี่มาอยู่แบบอ่าต้องจากบ้านจากความสะดวกสบายมา ก, ก็เพราะความอยากนี่แหละแต่ทันทีที่เราลงมือปฏิบัตินะก็ต้องวางความอยากลง หลายคนที่ทําไปก็ยังทิ้งความอยากไม่ได้ไมีแต่ความอยากเพิ่มพูนมากขึ้นมีนักปฏิบัติคนหนึ่งนะบ่นกับหลวงพ่อเฟื่องโชติโ ก, โกนะ่นท่านมรรมาภาพไปนาแล้วนะอยู่จังหวัดระยองก็บ่นกับหลวงพ่อเฟื่องว่าเนี่ยทํามาทมาัง้งทำมาต้องนานแล้วยังไม่ได้อะไรเลยหลวงพ่อก็ตอบว่าก็ปฏิปฏปฏบัตินิเพื่อละไม่ใช่เหรอนะก็ปฏิบัติเพื่อละไม่ได้เพื่อเอา นักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยยังทำด้วยความอยากนะกิเลสมันครองคลองใจก็ยังไม่รู้นะถ้าดูจิตดูใจเป็นก็ต้องเห็นกิเลสไอตัวความอยากนี่แหลนะที่มันครอบงามจิตใจพออยากแล้วนี่มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปบังคับจิตให้หยุดคิดให้หยุดให้หยุดฟุง้งก็เลยกลายเป็นเพ่งไปและสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นลมหายใจก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นกายที่เคลื่อนไหวก็ดีมันก็เลยกลายเป็นคุปไปลมหายใจนี่หรือว่ากายที่เคลื่อนไหวมือที่เคลื่อนไหวไปมานี่หรือพูดง่ายคือกายเนี่ยเขาถือว่าเป็นอารมณ์ของการภาวนาอารมณ์ในทีน่้หมายถึงว่าเป็นวัตถุของการภาวนาเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดจะเรียกว่าเป็นบ้านก็ได้นะเราใช้กายเนี่ยเป็นบ้านของใจให ใจเนี่ยมันมาอยู่ที่กายให้ใจนี่มันมารู้กายให้มันอยู่กับกายมันก็ก า, น ก, กายนี่เป็นบ้านแต่นักปฏิบัติจํานวนมากเนี่ยทำให้กายในกายเป็นคุกเพื่อขังใจไม่ให้จิตเนี่ยมันออกมาให้จิตเนี่ยมันอยู่กับกายอย่างแนบแน่นเป็นเป็นการบังคับกายไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือว่ามือหรือว่า รูปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคุกไปแยกให้ออกนะระหว่างกายระหว่างบ้านกับคุกเนี่ยมันต่างกันมากเราอยู่บ้านนี้เราออกไปไหนเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราไม่ออกเพราะเราคิดรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วมันสบายอบอุน่นแต่คนที่ใจแตกเนี่ยนะก็จะเพ่นพ่านอยู่บ้านไม่ได้อยู่เลือกอยู่บ้านไม่ติดนะอันนี้ก็เป็นลักษณะคนจํานวนมากนะ วรุ่นนี้ก็อยู่บ้านเม่ติดนะการอยู่บ้านเม่ติดเนี่ยยังมีความหมายถึงว่าการที่มันปล่อยใจฟุง้งใจลอยมันไม่ยอมกลับมาลูกกายแต่พอหันมาสนใจการปฏิบัติก็ทําให้กายนี่กลายเป็นคุกไปซะขังจิตเอาไว้ไอ้จิตนี่มันก็ไม่ยอมนะมนก็พยายามสู้นะพยายามแหกคุกอยู่เรื่อยพอแหกคุกบ่อยเข้าก็ต้องเพิ่ม ความแข็งแรงความแข็งแกร่งของคุกให้มันแน่นหนามากขึ้นก็คือบังคับหนักเข้าไปใหญ่คราว น, นี้แหละนะจิตมันก็เลยประท้วงมันก็เลยต่อสูนะ้อาการเพี้ยนเนี่ยเกิดจากการที่ไปบังคับจิตอย่างนั้นแหละมันมีอาการหลายอย่างนะแตกต่างกันไปบางคนก็หนักหัวบางคนก็ตัวแข็งนะตัวแข็งลุกไม่ขึ้นบางคนก็ยกมือ แล้วค้างไม่ลงอย่างที่เล่ามาให้กลับมาทําใจสบายๆนะรู้บางไม่รู้บ้างไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำไปเรื่อยๆขณะเดียว ก, กันก็อย่าปล่อยใจฟุง้งอย่าไปหาเรื่องคิดอย่ามวัวแต่ส่งจิตออกนอกจต่ก็จะไปบังคับจิตจงมาทั่งมันอึดอัดเมื่อเราปฏิบัติด้วยใจที่สบายวางความอยากลงนะ เพียงแค่แค่รู้เฉยๆว่าจิตมันทําอะไรมันจะช่วยทําให้ความรู้สึกตัวเนี่ยค่อยๆกลับมาความรู้สึกตัวนะที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหมายถึงการที่ตื่นจากหลับแค่นั้นหรือว่าตื่นจากสลบเท่านั้นนะคนที่ตื่นจากหลับคนที่ตื่นจากสลบเนี่ยทางการแพทย์อาจะเรียกว่ารู้สึกตัวละ คนที่ฟื้นจากยาชาจาสลบนี่ค่ะเริ่มกระดิกนิ้วได้เริ่มพูดได้หมอก็เรียกว่ารู้สึกตัวแล้วแต่ว่าในทางธรรมนี่ยังไม่เรียกว่ารู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนี่ใจมันต้องอยู่กับเนื้อกับตัวมันวางอาดีตวางอนาคตนะเรียกว่าเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทําอะไรใจก็เต็มร้อยนะ ใจเต็มร้อยอยู่กับสิ่งนั้นหรือถ้าไม่ได้ทําใจก็เต็มร้อยอยู่กับปัจจุบันใจเต็มร้อยนี่นะมันไม่เหมือนกับใจเต็มร้อยที่เขาโฆษณาในในโทรทัศนะ์นะเต็มร้อยคือว่าใจมันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเมื่ออยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยนะมันก็จะทําให้เกิดชีวิตชีวาขึ้นมา ชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการเพียงแค่มีลมหายใจเข้าออกหรือว่าหัวใจเต้นการแพทย์จะบอกว่าหัวใจเข้าออกมียังมีลมหายใจเข้าออกจริงหัวใจเต้นแสดงว่า ม, มีชีวิตแต่ว่าชีวิตจริงๆมันมีความหมายมากกว่า น, นัน้นมันต้องมีชีวาด้วยก็คือว่ามีความตื่นรู้มีความรู้สึกแจ่มสาสเบิก บ, บานซึ่งเกิดจากการที่มีความสึกตัวทั่วพร้อม ถ้าเรามีความสุขตัวทั่พร้อมเนี่ยเราจึงจะเรียกว่ามีชีวิตอย่างแท้จริงถ้ากว่ามีความสุขตัวทั่วพร้อมนีมาามมมมน่ใจไปหลงจมอยู่กับความคิดไปอยู่กับอารมณ์นี่เรียกว่าไม่มีชีวิตชีวานะแม้มีลมหายใจบางทีก็เหมือนกับตายก็มีเมื่อเช้าอาจารย์สุรินทร์ก็พูดถึงคําพูดของท่านทลายละะําละที่คนถามว่า ถารสึกว่ามนุษยชาตนี้มีอะไรที่แปลกมีพฤติกรรมที่แปลกบ้างท่านก็ตอบว่าท่านก็ตอบหลายอย่างแล้วก็อันนึงก็พูดว่าเนี่ยคนทุกวันนี้เนี่ยอยู่เหมือนกับว่าไม่มีวันตายหรืออยู่เหมือนคนลืมตายแล้วเวลาตายก็ตายโดยที่ไม่เคยมีชีวิตยอยู่เลย ต, ตอนที่อยู่เนี่ยก็อยู่เหมือนจะไม่มีวันตาย แล้วคันตายเขา้าถึงวันตายก็ตายโดยที่ไม่ได้อยู่อย่างแท้จริงหมายความเป็ยังไงตายโดยที่ไม่ได้อยู่อย่างแท้จริงก็คือตายโดยที่ทั้งชีวิตเนี่ยนะตลอดทั้งชีวิตนี้ไม่ได้มีความรู้สึกตัวเลยนะตามใจที่คนเราเนี่ยอยู่โดยที่ไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็เหมือนกับไม่ได้อยู่จริงๆ ให้การมีชีวิตสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีโดยที่ไม่มีความสุขตัวทั่วพร้อมจิตไม่ได้สัมผัสความตื่นรู้แจ่ม า, ายเบิกบานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่จริงๆเขาเรียกว่าตายทั้งเป็นก็ได้เมื่อเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยนะมีลมหายใจเข้าออกแล้วเนี่ย ก็ขอให้ได้เราได้อยู่จริงๆแต่ละวันผ่านไปแต่ละชั่วโมงผ่านไปด้วยความรู้สึกตัวใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีความสุขเต็มร้อยนะทุกขณะทุกวินาทีแล้วมาถึงตอนนั้นเนี่ยเวลาเวลาเราจะตายเนี่ยเราก็จะไม่เสียดายนะชีวิตหรือเวลาที่ผ่านมา และคนที่เขามีความรู้สึกตัวเต็มร้อยนะหรือรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยเขาจะสามารถเก็บเกี่ยวความสุขได้อย่างง่ายดายความสุขที่มีอยู่รอบตัวสามารถที่จะเห็นคุณค่าของการทําความดีเห็นคุณค่าของการทําสิ่งดีงามมันจะมาเองนะเพราะว่าเมื่อ เขาย่อมรู้ว่าเมื่อทําสิ่งนี้แล้วมันทำให้เกิดความสุขชีวิตจะมีค่าหน้าที่อะไรนะที่ควรทําก็ไม่ไม่ละเลยไม่นิ่งดูได้หรือไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปแต่ก็จะทําสิ่งนั้นนะด้วยความกระตือรือร้นเพราะเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันก็จะมีสติมีสติก็คือความไม่ประมาท นะแล้วคนที่ไม่ประมาทนี้ก็จะรู้ว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายประเภทว่าอยู่เหมือนคนลืมตายหรืออยู่แบบไม่คิดว่าจะตายไม่คิดว่าจะไม่มีวันตายเนี่ยมันจะไม่มีในความคิดของเขาเอาคนท้วันนี้นี่อยู่แบบลืมตายนี่เยอะมากเลยนะอันนี้เพราะว่าไม่มีสติเนีย ก็ปล่อยชีวิตไปตามกระแสตามกระแสกิเลสบ้างตามกระแสสิ่งเล้าย้ายยวนบ้างตามตามคนมคน้นคนนี้ไปบ้างสุดแท้แต่สิ่งแวดล้อมใดๆจะพาไปาชีวิตแบบนี้ก็เป็นชีวิตที่ก็จะลืมตัวได้ง่ายลืมแม้กระทั่งว่าสักวันหนึ่งตัวเองต้อง ต, องตาย แต่มันไม่ใช่ลืมแค่นั้นนะลืมอย่างอื่นด้วยลืมสิ่งที่ควรทําให้กับชีวิตของตัวลืมสิ่งที่ควรทําให้กับพ่อแม่คนรักนะเพราะว่ามัวแต่เพลิดเพลินมัวแต่สนุกสนานมัวแต่ลหลงไหลไปกับสิ่งที่เห็นเฉพาะหน้านะกว่าจะรู้ตัวบางทีก็ตอนที่ใกล้ตายนะพอใกล้ตายแล้วคอยมาลุกโอด มันมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเลยเราปล่อยเวลาผ่านเลยไปอย่างไร้ประโยชนนะ์ถึงตอนนั้นก็สายไปเสแล้วนั้นะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีค่านะก็ต้องพยายามเรียกสติกลับมาสู่ใจของเราแล้วก็อยู่อย่างรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะ พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันเราก็จะเรียกว่ามีชีวิตชีวาอยู่ทุกขณะอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยนะที่บทสวนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าผู้เป็นอยู่แม่เพียงลาตีเดียวก็น่าชมอันนี้หมายความว่าคนที่แม่มีชีวิตอยู่เพียงแค่วันเดียวคืนเดียวแต่เป็นชีวิตที่อยู่กับปัจจุบัน เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่ง่อนงันคลอนแคลนแล้วก็พ่อปูนาการเช่นนั้นไว้เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยคนอย่างนี้เนี่ยแม้จะอยู่เพียงแค่วันเดียวคืนเดียวเนี่ยนะคุ้มค่ากว่าคนที่อยู่ร้อยปีแต่อยู่ด้วยความหลงอยู่ด้วยความลืมเพราะว่าชีวิตของเขานี้มาไม่เป็นชีวิตอย่างแท้จริงเรียกภาษาสมัยใหม่ว่าไม่มีชีวิตชีวานีแม้จะอยู่ ก็เหมือนตายหรือเรียกว่าตายทั้งเป็นตายทั้งเป็นนี่ไม่ได้แปลว่าถูกไฟเผาตายทั้งเป็นถูกหินถลม่มถูกตึกถล่มตายทั้งเป็นนะแต่หมายถึงว่าแม้จะมีลมหายใจอยู่นะแต่ว่าก็ไม่มีชีวิตชีวาไม่มีความรู้สึกตัวเพราม่ไดอยู่กับอดีตบ้างอยู่กับอนาคตบ้างอยู่กับอารมณ์ต่างๆบ้างแล้วเกิดก็เกิเล ย, ก, เลยก็เลยไม่เคยได้อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริง อ น, นี้เป็ น, ปนจะว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งก็ได้นะที่เราควรทำให้กับชีวิตของเราเกนะิดมาทั้งทีแล้วเนี่ยต้องได้พบได้ประจักษ์สิ่งนี้บ้างนะการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเรามันจึงจะมีความหมายแล้วก็มันจะได้คุ้มค่านะกับการที่ได้เกิดมาและมีลมหายใจไม่ใช่ว่าหายใจแบบลดทิ้งทิ้งหายใจลดทิ้งนะลดทิ้งไปวั น, วน เพื่อที่จะรอวันตายซึ่งจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และพอมันใกล้เข้ามาแล้วถึงค่อยรู้ว่าไอ้ที่ผ่านไปมันเป็นการปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปอย่างน่าเสียดายคำนี้กพูดกันเท่านี้นะกรับ ค, ครับ